ก็เป็นเรื่องราวของตุกตาตัวที่22 22แล้วนะฮะค่ะก็ยังคงให้ข้อคิดหลายๆสิ่งหลายอย่างซึ่งพระราชาโพชานตั้งพระไทยฟังมากขึ้นใครควรมากขึ้นนะคะคก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่พระเจ้าวิกรมาธมทิศได้ท่องเที่ยวเสด็จผ่านไปยังเมืองต่างๆนะคะก็ก็ไครั้งหนึ่งก็เสด็จผ่านติรัฐะต่างๆเ ท, ว, ท, ว, าทวาลัยเมืองภูเขานะคะก็ทอดพระเนตรเห็นเมืองงามแห่งหนึ่ง มีกำแพงแก้วมณีล้อมโดยรอบภายในเมืองก็เป็นประสาทราชวังสวยงามทีเดียวนะคะพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในเมืองนั้นนะคะคกอนการเข้าไปเสด็จในเมืองของทุกที่เนี่ยพระองค์จะต้องไปที่ไหนก่อนเลยคะเข้าเทวะลัยนะไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อน อันนี้ถ้าพูดไปแล้วก็เป็นธรรมเนียมของเราด้วยนะคะศาสนาประเพณีเวลาเราเข้าที่ไหนไหว้พระก่อนไหว้พระก่อนนะคะต้องถึงพระนะคะถึงพระพุทธเจ้าอย่าไปอู้ไปแล้วก็ไปไหว้พระสงฆ์องค์ระเจ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าไปกราบนะคะแต่โดยวมาเนี่ยพระท่านก็จะอยู่ที่โบสถ์เราก็จะกราบไปพร้อมกันคือกราบพระตัตน์ตรัยครับนะะคต้องกราบพระพุทธก่อนใช่ไหมฮะพระพุทธก่อนค่ะ พระเจ้าวิกรรมาธิก็เช่นเดียวกันท่านไปที่ใดก็จะต้องเข้าไปนมัสการเทวรูปพระเป็นเจ้านะคะสิสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคะแล้วก็พระองค์ก็จะกล่าวขอถ้อยคําที่จเจริญพระผู้เป็นเจ้าเหมือนเราสวดมนต์เจริญพุทธมนต์นี่แหละคะ่ะก็หลังจากที่พระองค์กล่าวสรุปดีแล้วนะคะพระองค์ก็พูดในคําในสิ่งที่ว่าจะปฏิบัติอย่างไรพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะไม่กล่าวไม่ฟัง ไม่คิดถึงบุคคลอื่นในทางาร้ายนะคะจะคิดแต่สิ่งที่ดีๆนะคะโดยเอาพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นบุรุษอันสูงสุดผู้ทรงแห่งความดีมาเป็นแบบอย่างนะคะก็เรียกว่ า, ากราบแล้วก็อธิษฐานจิตว่าจะไม่คิดปลุกไม่กล่าวไม่ฟังแล้วไม่คิดถึงคนในแง่ร้ายแล้วก็ขอให้พระองค์ในยกโทษในความผิดความบาปนี้ก็เป็นการขอขมามไม่ว่าจะทำไปด้วยมือด้วยเท้า หรือองค์ประกอบแห่งพฤติกรรมที่แสดงออกด้วยเสียงด้วยกายด้วยหูด้วยตาด้วยใจกรรมจะเกิดยังไงก็ตามเนี่ยก็ขอให้ยกโทษ ต, ต่ อ, อ ก, กรรมนี้นี่ก็เป็นการกล่าวคำขอมขาเวลาเราสวดมนต์ทุกครั้งนะคะเมื่อจเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วเราควรจะอธิษฐานจิตตั้งใจที่จะปฏิบัติตามำทำคำสัง่งสอนหลังจากนั้นก็ขอขมา เพราะว่าการพูดจาจุ้งจ่าบางคนพูดเล่นนะคะพูดเล่นไม่ได้มีเจตนาแต่ก็มีผลทําให้เราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่พูดแล้วคนไม่เชื่อฟังพูดแล้ววาจาละคายหูพูดแล้วคนไม่รักเรานะเมตตาไม่เกิดแต่ถ้าเราเป็นคนที่พูดจาระมัดระวังไม่จุ้งจ่าต่อสมณชิพรามไม่พูดเล่นไม่พูดอะไรที่มันเป็นตลกขบขันไปหมดนะคนะแล้วก็มีการขอขมาทุกครั้งนะคะขอขมาด้วยความตั้งใจจริงโทษ เรื่องต่างๆผลกรรมเหล่านี้ก็จะไม่มีครับหลายคนที่มาถามม่แล้พูดแล้วทําไมมันมีเรื่องทุกทีเลยไปไหนมันมีแต่เรื่องนะคะเราก็คงอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้คือเราไม่เคยขอขมานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสนณชีพรามเลยรพระราชาเนี่ยอย่างน้อยก็ในบทนี้ก็ทําให้เรารู้ว่าศาสนประเพณีเนี่ยของผู้ที่จเจริญแล้วเนี่ยเขาก็จะปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกันหมด ในขณะนั้นพรามผู้หนึ่งเดินเข้ามาก็เห็นพระราชาประทับอยู่พระราชาก็ตรัสถามวาท่านพรามณ์ท่านมาจากไหนพราหมณ์ก็บอกว่าก็สแสวงบุญไปเรื่อยในโลกกว้างนี่แหละแล้วตัวท่านละ่ะมาจากไหนพระราชาก็เมินเลยนะครับพราหม์ก็มาจ้องประพั ก, อกเออลักษณะอย่างนี้เนี่ยมีสง่าราศีนะท่านต้องไม่ใช่บุคคลธรรมดาแน่นอนท่านมีลักษณะของความยิ่งใหญ่ปรากฏอยู่ท่านต้องเป็น กษัตริย์แน่ๆเพราลักษณะของท่านควรคู่กับราชาสวัสดิยาธิปัตต์ก็คือควรคู่กับสมบัตินะคะสมบัติของพระราชาทําไมท่องท่องเที่ยวไปในโลกกว้างละ่ะแต่ก็นั่นแหละถ้าจะประก่าวไปแล้วใครเล่าจะฝ่าฝืนชะตากรรมอันพรมลิขิไว้บนหน้าผากนี่ก็ถูกเส้นกันบนหน้าผากนะค ะ, ะท่านกล่าวไว้ว่าลอยลิขิตบนหน้าผากของบุคคล น, นั้นใครก็ลบออกไปไม่ได้ คำประจําตัวคนเนี่ยยกตัวอย่างนะนะเส้นมันยกบินเนี่ยโอ้ยเหนื่อยตลอดนะถ้ามีสามเส้นแสดงว่าเป็นอภิชาตตะบุตรยกรเป็นตัวอย่า ง, งนะฮะหรือมีเส้นระหว่างคิ้วนี่ก็พี่น้องมากทะเลาะกันนะฮะพอฟังถ้อยคํานะก็บอกว่าอ่าประหาดชา ก, ก็บอกบุคคลเพิ่งรับฟังคําแนะนําที่มีเหตุผลมานี้สําคัญนะคะเวลาเราฟังใครแนะนำเนี่ยให้ทํานู่นทํานี่เนี่ยมันต้องมีเหตุผลประกอบ นะคะคื อ, ะอะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแนะนําไปอย่างนั้นเองเป็นศาสตัตว์ไปซะถ้ามีเหตุมีผลน่ยนะคะถึงแม้ผู้พูดจะเป็นเด็กก็ตา ม, มถ้ามีเหตุมีผลก็ต้องฟัง บ, บุคคลพึงปฏิเสธคําแนะนําอันไ right ร้เหตุผลของใครก็ตามที่หาค่าบอไม่ได้ถึงจะแก่แค่ไหนก็ตามแต่ถ้าพูดไปดพูดไปแล้วเนี่ยพูดสูงแต่ขาดเหตุผลก็อย่าไปฟังหรือจะสูงสักขนาดไหนก็ตามถ้าขาดเหตุผลก็ไม่ควรฟัง พระราชาก็ฟังฟังดูโนี่ท่านก็คือมีเหตุมีผลนะเมท่านพรามรู้สึกท่านเหนื่อยนะพรามก็กล่าวอย่างหมดอะไรใดอยากว่าข้าก็จะเล่าให้ฟังนะว่าข้าเนี่ยมีความทุกข์มากครับคือที่มีห่างไกลจากตรงเนี้ยมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อนี้ล่ะเป็นที่สถิตของเทวตินาชื่อกามากรสีนะคะก็ชื่อแปลว่าผลกามาก็คือกามครับกสีคือดวงตาคือดวงตาที่น่ารักน่าใคร่น่ายินดีครับ ที่ภูเขาเนี่ยมีปากทางนําไปสู่ถ้าใต้ดินที่ ม, มีประตูปิดตาอยู่จะเปิดก็ด้วยการไล่มนของเทพธิดาวงกตเท่านี้แหละนะคะแล้วก็ที่ถ้าเนี่ยมีหายบรรจุรถสิทธิ์แบบว่าประหลอดนะคะคุณสมบัติของประหลอดเนี่ยแปลและธาตุทั้ง8ให้กลายเป็นทองคําได้ค่าก็ไล่มนของเทพธิดามา12ปีแล้ว<ะ>โอ้โหเขาทนมากนะประตูถ้าก็ไม่เปิดสักทีแหมยาวนาะนจริงจริงข้าเหน็ดเหนื่อยมากเลย พระเจ้ากวฎกรติมาทิศก็โอ้เดี๋ยวลองหน่อยซิพาไปหน่อยพระองค์ก็ไปดูนะคะก็ไปอย่างที่จะถักถ้าคือหินอันนั้นไม่ขยับขยื่อนเลยค่ะคคนะคะตกดึกเทติดาก็มาบอกมาเข้าฝันนะบอกว่าพระราชาประตูถ้านี้ไม่มีใครเปิดออกหรอกนอกจากจะประพรมด้วยเลือดของมหาบรุษเท่านั้นต้องมีประกอบไปด้วยลักษณะอันเลิศถึงสามสิบประการ พอลุงช้าพระราชาไปที่ถ้ำประชักผักขันมาเถอะนะจะเตรียมกรีดเลือดตัวเองแหละนะคะก็การมากระสีเทวีก็ปรากฏตัวก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องถึงเลือดพระองค์มีใจขนาดนี้แล้วก็ถือว่าเลือกพอรเอาเข้าละกันพระราชาก็บอกข่าไม่ไไม่ได้บาดตนาเพื่อตัวเองนะแต่ต้องการอนุเคราะพรามคู่นี้ยเขาอดทนมาตั้ง12บีครับนะท่องแต่ไม่เสียสลดัดไงคะมอบประโลนให้เขาเถอะ เทธิดาก็เปิดประตูถ้ำนําไหประหลอดออกมามอบให้กับพรามพระเจ้าวิการสมาธิก็เสด็จเกินสุพรรณครอันนี้ก็เป็นเรื่องของคําสอนในเรื่องของเหตุและผลนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของความกล้าหาญแล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะทําอะไรเพื่อคนอื่นยอมที่จะลําบากด้วยตนเองซึ่งพระลาโภชะก็ฟังเรื่องนี้แล้วก็ง่ายพระองค์ทําได้ก็เหยียบศีรษะตุกตาตัวต่อไปทันทีครับ จริงๆสิ่งที่เป็นคำสอนที่สอดแทรกอยู่ในความตอนนี้ก็ไม่น้อยนะคะเหตุผลเรื่องของเหตุผลนี่เป็นสิ่งสาคัญมากเพรา ะ, ะทุกวันนี้เราฟังอะไรกันมาก็เชื่อเชื่อกันไปเพราะเห็นเขาเชื่อกันเยอะหรือบางคนก็บอกต้องเชื่อเขาเพราะว่าเขาดูดีเขามีคุณวุฒิเขามีฐานะเขามีวยวุาิเขามีเหตุผลหรือเปล่าพิจารณาดูให้ดีนะครับ หรือคนบางคนก็อาจจะทําตัวดูเหมือนผู้ปฏิบัติที่แม่แหมดูแข็งแกร่งแก ง, แงกล้าในธรรมอย่างยิ่งแต่พิจารณาดูว่าสิ่งที่เขาพูดนะั้นมีเหตุผลหรือเปล่าทีนี้ถ้าเราไม่ใช่คนมีเหตุผลเนี่ยมองไม่ออกครับอาจารย์ว่าใครมีเหตุผลหรือเปล่าคือดูแต่เพียงภายนอกกันนะคะ